คนเรานี้ดีได้ด้วยการฝึกความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าในธรรมดังกล่าวนี้ทำให้ท่านสมัครใจที่จะเผชิญกับความทุกข์จากความเพียรฝึกฝนจิตอย่างหนัก ดังที่ท่านเคยกล่าวไว้อย่างเด็ดว่าทุกใดๆที่โลกว่ากันว่าทุกหนักหนานั้นเราก็เคยผ่านโลกเห็นโลกมาก่อนพอสมควรถึงยี่สิบปีเต็มบางงานก็เหมือนกับว่าจะเหลือกำลังคือหนักมากแต่เมื่อเทียบแล้วไม่มีงานใดที่จะหนักมากและ ทุกยากลำบากยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสเพราะงานเหล่านั้นแม้จะหนักมากเพียงใดก็ไม่เคยถึงขนาดสละชีวิตจิตใจกับงานนั้นแต่สำหรับงานฆ่ากิเลสนี้ต้องยอมสละเป็นพื้นฐานเรื่อยๆเลยตัวอย่างที่ชัดเจนอันหนึ่งของท่านก็คือการตื่นนอน ท่านก็ยังอุตสาห์ฝึกหัดดัดนิสัยกันเสียใหม่อย่างเข้มแข็งจริงจังดังนี้พอรู้สึกจะดีดผึงเลยตั้งจะเรียนหนังสือไม่เคยที่จะลุกขึ้นมาธรรมดาเพราะความตั้งใจความฟิตตัวเองเป็นจริงเป็นจังกับตัวเองพอตื่นนี้ดีดผึงผึง ถ้ามีเพื่อนนอนอยู่ข้างด้วยนะหมู่เพื่อนจะตื่นเพราะความสะดุ้งเวลาลุกตื่นนอนเรียนหนังสือก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่เป็นหน้าเข้าเรียนก็เป็นแบบนั้นเรื่อยมาฝึกซีจนชินเป็นนิสัยทีนี้ยิ่งออกปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเก่งแล้วไม่เคยนอนซ้ำอีกนะถ้าลงได้ดีดผึงไปแล้วเท่านั้น เว้นแต่วันถ่ายท้องไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั่นเราก็ยกเว้นให้เฉพาะไม่ให้ลุกลามมันถ่ายท้องก็ลุกขึ้นไปถ่ายแล้วก็กลับเข้ามานอนอย่างนี้เรายกให้เป็นกรณีอย่างนี้นอกจากนั้นเป็นไม่ได้เด็ดขาดนะว่างั้นเลยทีนี้เมื่อทําตลอดตั้งแต่บวชมาจนกระทั่งออกปฏิบัต จนมันชินต่อนิสัยไม่ต้องตั้งใจลุกอะไรนะพอรู้สึกนี้มันจะดีดผึงทันทีจนกระทั่งพรรษาสิบปเราไม่ลืมนะที่เรามาฝึกหัดนิสัยใหม่เพราะมันเป็นนิสัยแล้วแก้ไม่ตกง่ายๆนะพรรษาที่สิบ็ดล่วงไปแล้วเราก็มาแก้นิสัยใหม่ คือการตื่นนอนแบบนั้นก็ถูกต้องแบบหนึ่งเพราะอยู่ในเวลาเร่งความภาคความเพียรให้ตื่นเนื้อตื่นตัวตลอดเวลาก็ยอมรับว่าถูกต้องแต่เวลานี้ควรจะต้องพักผ่อนธาตุขันพอประมาณต่อไปนี้กำหนดสอนเจ้าของรำพึงในเจ้าของและเวลาการตื่นนอนก็ควรจะให้รู้ทิศใต้ทิศเหนือ ที่นั่นที่นี่แล้วค่อยลุกขึ้นมาธรรมดาด้วยความมีสติธรรมดาต้องการอย่างนี้ที่นี้เราจะฝึกให้มันพอรู้สึกตัวแล้วมองรู้ทิศทางแล้วลุกขึ้นธรรมดาเรียบเรียบไม่ให้ตื่นปึงปังอย่างนั้นพยายามฝึกเราก็พยายามฝึกมาร่วมปี ห้รู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นมาธรรมดาฝึกอยู่ร่วมปีจึงเปลี่ยนได้ท่านกล่าวถึงจุดนี้ทำให้ทราบชัดเจนว่าคนเรานี้ดีได้ด้วยการฝึกฝึกหัดเช่นไรย่อมเป็นไปเช่นนั้นจะให้อยู่เฉยๆแล้วดีขึ้นมาเอง ย่ำเป็นไปไม่ได้ท่านยังเล่าถึงความยากลำบากในการต่อสู้กับกิเลสถึงขนาดต้องยอมเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของตนเพื่อแลกกรับธรรมอันสุดประเสริฐ ด, ดังนี้ ถึงคลื่นที่จะฟัดกับกิเลสอย่างเต็มเหนียวแล้วชีวิตนี้ไม่มีความหมายเลยเรียกว่าตายก็ยอมตายเสียสละเอาชีวิตเข้าแลกเลยเพราะกิเลสถ้ามันไม่เก่งจริงๆแล้วมันคงไม่สามารถครองหัวใจสัตว์โลกได้ตลอดมาทุกพบทุกชาติเช่นนี้ ครั้นพอจะต่อก่อนกับมันมันก็เลยต้องฟัดกันให้เต็มเนียวเรียกว่าทุกแสนสาหัสท่านเคยเปรียบความทุกข์ยากลำบากนี้กับการติดคุกติดตารางไว้ดังนี้ตั้งแต่บัดนั้นขึ้นเวทีไม่มีการให้น้ำถ้าว่าให้น้ำก็ให้เวลาหลับ นอกนั้นไม่มีกรรมการไม่ต้องไม่มีกรรมการแยกมันจะตายช้าไปใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้ตกเวทีระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจเราเอาใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งเอาให้ตกเวทีติดคุกติดตารางนี้ เราสมัครเลยนะความทุกข์ยากลำบากในการประกอบความภาคเพียรเราหนักมากขนาดนั้นเขาว่าติดคุกติดตารางนี้เป็นความทุกข์ความลำบากเราจะสมัครไปติดคุกติดตารางเพราะติดคุกติดตารางกินข้าววันละสามมือ้อ จากตอกเหลาตอกได้วันละห้าเส้นค่าเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอได้ถึงวันออกแต่ส่วนเราถ้ากิเลสไม่พังจากหัวใจเมื่อไหร่ไม่มีวันออกต้องเอากันจนเป็นจนตายมันก็หนักมากละสิแม้ทุกยากลำบากเพียงใดความภาคเพียรเข้มแข็งและใจมุ่งมั่นของท่านมีน้ำหนักมากกว่า คำกล่าวที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจึงเป็นจริงขึ้นปรากฏผลเป็นความบริสุทธิ์อยู่ในใจท่าน สมบูรณ์ด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพระครั้งพุทธกาลบวชเพื่อนิพพานจริงๆหลวงตากล่าวถึงความจริงจังของพระในครั้งพุทธกาลดังนี้ ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานพระโอวาทแก่บรรดาพระผู้ปฏิบัติที่เข้ามาอบรมศึกษาและศึกษาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆไม่ได้ศึกษาเพียงสัก์แต่ชื่อแต่นามเพราะความจดจำเพียงเท่านั้น และไม่ได้ศึกษาเพื่อเอาขั้นอภูมิดังปัจจุบันนี้นอกจากท่านจะได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์แบบทุกอย่างในเรื่องมรรคผลท่านยังได้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมในการชำระกิเลสอยู่ทุกการอีกด้วยโดยมักหลี่เครนอยู่ในป่าเขาลำเนาไพร ไม่ค่อยพลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนพระผู้มาศึกษาก็ล้วนแต่มีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลต่อวิมุตติต่อความพ้นทุกข์จริงๆโดยมีความภาคเพียรเป็นพื้นฐานเพราะเห็นภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดงานของพระในครั้งพุทธกาลจึงมีแต่เรื่องของงานเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาซึ่งก็คืองานฆ่ากิเลสโดยตรงนั่นเองฉะนั้นผลแห่งการปฏิบัติจึงมักบรรลุสมความตั้งใจเกิดพระอระหันต์ขีนาศพขึ้นอย่างมากมายในสมัยนั้น ย้อนกลับมาสู่ชีวิตของท่านแรกเริ่มเดิมทีท่านก็มีได้ตั้งใจอยากจะบวชแต่อย่างใดด้วยขนบประเพณีแต่โบราณทำให้พ่อแม่ปรารถนาจะได้บุญจากการบวชของลูกใจในที่แรกแม้จะยังไม่พร้อมแต่ด้วยน้ำตาพ่อแม่ทำให้ท่านตรหนัก เห็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าของพ่อแม่ที่จะขออาศัยพึ่งใบบุญบวชจากลูกเพื่อเป็นทุนอุดหนุนชีวิตหลังสิ้นอายุไขแล้วความกะตัญญูรู้คุณทำให้ตัดใจได้เมื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒนิสัยทำอะไรทำจริงอันติบมาแต่ครั้งครวาด ทำให้มีความจริงจังต่อการศึกษาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจึงเริ่มเข้าใจจุดหมายแท้จริงของชีวิตเมื่อเรียนปริยตก็เรียนเพื่อเก็บหอมรอมริบข้อธรรมและวินัยหลายแง่หลายมุมโดยหวังเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการออกปฏิบัติทุดงกรรมฐานอย่างแท้จริง มิใช่หวังชั้นหวังภูมิยศศักดิ์แต่อย่างใดความรู้นั้นทำให้พอมีเกณฑ์บรรทัฐานในการเสาะหาครูอาจารย์ผู้รู้จริงเรื่องมรรคผลและข้อปฏิบัติที่ตรงทางจากนั้นเมื่อมีโอกาสเข้าศึกษาอบรมกับท่านอาจารย์มั่นจึงได้เร่งความเพียร อย่างเต็มสติกำลังความสามารถด้วยจิตตะภาวนาจนสามารถหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเข้าสู่แดนแห่งความพ้นทุกอันเกษมชีวิตนักบวชของท่านจึงสมบูรณ์พร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติและปฏิเวส ดกในพระไตรปิดกนอกผู้รู้จริงผู้รู้จำท่านเปรียบเทียบความรู้จากการเรียนป ร, ริยัตกับความรู้จากการปฏิบัติไว้ดังนี้พระไตรปิดกในคือผู้สิ้นกิเลสแล้วเป็นผู้ทรงธรรมล้วน ไว้บริสุทธิ์เต็มที่พระไตรปิฎกนอกเป็นคนที่มีกิเลสไปจดจารึกออกมาแยกเข้าไปอีกว่าพระไตรปิฎกตาดีคือท่านผู้สว่างกระจ่างแจ้งทรงธรำแท้ทรงธรรมที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่ไว้คือพระพุทธเจ้าพระธรรม พระอรหันต์ท่านนี่ออกจากหัวใจของท่านจ้าไปหมดครอบโลกธาตุพัะไตรปิดกตาบอดคือเราเรียนเท่าไหร่ก็เรียนฟาดจนจบพระไตรปิฎกก็ได้แต่ชื่อได้แต่นามได้แต่ความจำได้แต่ตำรับตำรา ไม่ได้ความจริงอย่างท่านมาก็เรียกว่าผู้ไปจดจารึกหรือถ้าเป็นประเภทนั้นก็ตามแล้วผู้ที่เรียนตามนั้นก็เป็นคนตาบอดคำว่าบอดนี้หมายความว่ากิเลสครอบงำหัวใจใจยังมืดมิดปิดตาอยู่แม้จะเรียนอัดเรียนธรรมก็มีแต่ชื่อแต่นามของอัดของธรรม แต่ใจยังบอดอยู่ทมรู้เห็นได้ด้วยการปฏิบัติจริงด้วยเหตุข้างต้นนี้ท่านจึงเน้นภาคปฏิบัติมากที่สุด โดยให้เหตุผลไว้อย่างละเอียดละอ่อดังนี้พระพุทธศาสนาของเราตามตำราตาราท่านก็มีไว้สมบูรณ์ทั้งพระสุดตันตะปิดกพระวินัยปิดกพระอภิธรรมปิดกท่านบรรจุไว้เรียบร้อยเราก็เรียนมาตามนั้นเรียนตามที่ท่านจดจารึกเอาไว้ในปิดกต่างๆ เข้าสู่หัวใจด้วยความจำในระยะนี้การเรียนทั้งหมดไม่ว่าจะเรียนปีดกใดเข้าสู่ใจเป็นเข้าสู่ด้วยความจำธรรมะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ท่องบนสังวัทยายทั้งหมดรวมเข้ามาสู่ใจนี้เป็นธรรมะผ้าความจำไหลเข้าสู่ใจด้วยความจำ ยังไม่เข้าสู่ใจด้วยความจริงเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยจึงไม่พ้นความสงสัยในการดำเนินว่าจะดำเนินอย่างไรดีดำเนินอย่างไรถูกหรืออย่างไรผิดความสงสัยนี้จะต้องเป็นพื้นอยู่โดยดีในบรรดานักปริยัตทั้งหลายไม่ว่าท่านว่าเรา นี่พูดตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในหัวใจของผู้ศึกษาเล่าเรียนมาเราอยากจะพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยว่าทุกดวงใจเป็นอย่างนั้นเพราะจะเป็นเรื่องที่จะเป็นอย่างนั้นโดยแท้เนื่องจากไม่มีผู้สันทัดจัดเจนในปฏิปทาเครื่องดำเนินและ รู้เห็นจากการดำเนินนั้นอันเป็นฝ่ายผลมาก่อนแล้วมาชี้แจงแสดงบอกจึงทำให้ผู้ที่ศึกษามากน้อยอดสงสัยไม่ได้จำต้องสงสัยอยู่โดยดีนี่เป็นคตินิสัยของปุถุชนเราโดยทั่วๆไปการพูดถึงก็พูดถึงแต่ภาความจำ ไม่ว่าจะพูดถึงทรรมในปิดกใดพระวินัยปิดกนั้นรู้แล้วว่าต้องอาศัยความจำเป็นหลักสำคัญที่จะประพฤตปฏิบัติตัวอันนี้ไม่พิสดารอะไรมากที่พิสดารมากก็คือพระสุตตันตปิดกและพระอภิธรรมปิดกซึ่งเป็นธรรมที่พิสดารมากจริงๆ ผู้ที่เรียนมาทั้งหลายนี้ไม่ได้มีความจริงเข้าสู่ใจแล้วจะเอาอะไรไปประพฤติปฏิบัติจึงต้องแบกความสงสัยเต็มหัวใจอยู่นั่นแลเรียนก็เรียนรู้ก็รู้ในภาความจำแต่วิธีปฏิบัติเมื่อไม่มีผู้ชํชนานิชํานาญพร้อมทั้งการทรงผลมาแล้วมาพาดำเนิน จึงเป็นเรื่องลำบากอยู่มากไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้โดยถูกต้องดีงามและราบรื่นไปโดยสม่ำเสมอเลยด้วยเหตุนี้จึงต้องส่แสวงหาครูหาอาจารย์อย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นเป็นสำคัญ ปฏิบัติจริงไม่ถกเถียงใครเพราะมองดูก็รู้หมดความรู้ที่เกิดจากการเรียนธรรมกับความรู้จากการปฏิบัติธรรมจนเห็นจริงท่านเคยเปรียบให้มองเห็นภาพง่ายดังนี้ คนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกทกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไม่นั่นเพราะคนมีกิเลสทำเป็นของจริงแค่ไหนหัวใจไม่ได้จริงใจปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมไม่ใช่เพราะความจริงถ้าผู้ปฏิบัติแล้ว มองดูที่ไหนก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นหละอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีๆแต่คนตาบอดไปคลำคลำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั้นเหมือนนี้ไปก็อย่างนั้นแหละตาบอดคนหนึ่งว่า ช้างนี่เหมือนไม้กวาดเพราะไปคลาถูกหางช้างตาบอดอีกคนหนึ่งไปคลาถูกข้างของมันก็ว่าไม่ใช่นะช้างนี้เหมือนฝาเรือนอีกคนหนึ่งไปคลาถูกขาของมันเถียงกันอีกละไม่ช้างไม่ใช่ฝาเรือนช้างไม่ใช่ไม้กวาดช้างมันคือต้นเสาคนหนึ่ง ก็ไปคลำถูกหูมันอีกแหละคลำช้างตัวเดียวกันนั่นแหละคลำคนละแห่งละแห่งคนที่ไปคลำถูกหูนี้ก็มาค้านเอานี่ช้างมันไม่ใช่ต้นเสาช้างเหมือนกระด้งฝัดข้าวคราวนี้ผู้ที่มาคลำเอางวงของมันนี้ว่าช้างคือปลิงก็เถียงกันอยู่อย่างนั้นแหละและ เถียงกันอยู่ใต้ ร, ร่มมะกอกด้วยนะพอดีลมพัดมามะกอกหล่นตูมใส่หัวตาบอดคนหนึ่งแกก็ร้องขึ้นว่าเฮ้ยกูพูดแต่ปากนะมึงถึงขนาดถึงไม้ถึงมือตีกูถึงขนาดนี้เฉรอว่าแล้วก็สัดกันเลยทีนี้ตาบอดหกคนฟัดกันนัวเลยเพราะมะกอกลูกเดียว อันนี้ก็เหมือนกันคนนั้นว่างั้นคนนี้ว่าอย่างนี้นะเวลานี้มะก อ, อกกำลังจะหล่นลงหรือมันจะหล่นลงแล้วก็ไม่รู้นะมะก อ, อกหล่นลงในพวกนี้นะพวกเราเหมือนตาบอดคลำช้างนั่นหละคลำไปถูกตรงไหนก็ว่าทํานี้เหมือนนั้นเหมือนนั้นไปหมดเลยคนตาดีมองลูช้างมันเห็นหมด จะไปสงสัยอะไรช้างทั้งตัวไม่สงสัยคนตาดีดูแป๊บเดียวรู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านดูธรรมท่านดูเหมือนคนตาดีดูช้างพวกเราเรียนธรรมดูธรรมเหมือนตาบอดคลำช้างเถียงกันวันยังค่ำมะกอกหล่นไปไหนแล้วไม่รู้ มะก อ, อกไม่ได้สนใจขายหรอกแต่พวกนี้เลยซัดกันนัวเลยแทนที่จะชําระคดีมันก็เลยไม่ได้ชําระมะก อ, อกมาตีหัวแล้วซัดกันนัวเลยฟัดกันอยู่ในสนามตาบอดมันจะไม่เลิกนะทีนี้ไม่ทราบว่ามะก อ, อกมาจากไหนมันก็หายากนะมะก อ, อกที่จะมาหล่นตูมใส่หน้าผากพวกนี้ มันหายากนะสมัยทุกวันนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะมะกอกคือใครไม่ได้สนใจมะกอกยิ่งกว่าคลำชา้างแล้วมาเถียงกันตีกันนั่นแหละพวกเรามันเรียนเรียนด้วยความจำใครเรียนที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์ปวดอำนาจความรู้ความฉลาดของตน ขึ้นจากความจำนั้นแฝงความจำไปอีกเป็นปลอมๆไปอีกเอามาโต้กันเสียเป็นบ้านน้ำลายโดยไม่รู้สึกตัวถ้าหากปฏิบัติให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนไว้ก็จะไปถามใครไปโต้เถียงกันให้เสียเวล่ำเวลาทำไมถ้าไม่ใช่ตาบอดคลำช้าง ท่านให้ปฏิบัติส่ให้รู้ส่ใครรู้มากน้อยเท่าไหร่อาถานทําไมจะไม่อาถานสัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจนี่ต้องรู้ทั้งกิเลสอยากกลางละเอียดรู้ทั้งธทมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดและอย่างละเอียดสุดสิ้น พ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์ไม่รู้ที่ใจอะไรจะเป็นผู้รู้